ไปจำดีจำเก่งไปท่องไปท่องเอาไวส้สวดเป็นบทสวดที่เป็นภาคปฏิบัติเป็นบทสวดที่เป็นภาคปฏิบัติอย่างดีเราสวดสัมปชัญญะสัมปชัญญะคือความรู้ตัวสัมปชัญญะบัพเพ็ สัมปชัญญะบัพพะปฏิกูลบัพพะอาตุบั र, त, พพะสวดบทว่าโดยธาตุว่าโดยบทสัมบทว่าโดยสัมปชัญญะ ว่าด้วยบทปฏิกูลอาการสามสิบสองว่าด้วยบทปฏิกูลว่าด้วยบทสัมพัญญะคือเราอยู่ด้วยความรู้ตัวสติสักว่ากำหนดความรู้ตัวมหาสตินะที่เราสวนเมื่อกี้นี่มหาสติปัฏฐานมหาสติปัฏฐานนี่เราสามารถคุม กิริยาภัยว า, ายใจใจของเราได้ทุกอิริยาบถไม่สําคัญว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนควบคุมกำหนดกำหนดควบคุมได้หมดสามารถเอาไปกํากับทุกอิริยาบถแม้แต่กับการทําธุระหน้าที่การงานเราสามารถเอาไปกํากับรูเล่ได้หมดมันเป็นการตัดปัญหาว่า เราไม่มีเวลาภาวนาไม่มีเพเวลาภาวนาพุทธเจ้าท่านจึงสอนมหาสติปัฏฐานนี่ให้แก่ชาวกุรุชาวกุรุสอนนี่แหละให้ใช้สติเป็นหลักสติก็คือความระลึกรู้ภายในจิตของเราเนี่ยมันรู้โรรขึ้นมาเมื่อสติมันโรรอยู่กับจิตหมายความว่างานทุอย่างมันพร้อมงานทุกอย่างมันพร้อ ม, กอ ม, อมแก่ว่า เราเอาไปประกอบกับการกับงานภายนอกอยู่กับงานอย่างเดียวเรื่องเดียว เ, เขียนหนังสือก็อยู่กับหนังสืออย่างเดียวพอหมดเขียนหนังสือย้อนมาปับ๊บทิชชัยของเร า, า, าเดินเดินก็กำหนดระลึกรู้สัมพััญญะระลึกรู้สึกความรู้สึกตัวระลึกความรู้สึกตัวความรู้ตัวระลึกกสติ สัมมชัญญะคือรู้ตัวลองหัดทดสอบดูระลึกโอระลึกด้วยสติเป็นอย่างนี้โอความรู้ตัวเป็นอย่างนี้รู้ตัวว่าเรากําลังเดินรู้ตัวว่าเรากําลังยืนรู้ตัวว่าเรากําลังนั่ง น, นั่งแม้แต่อิริยาบถกำหนดอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนทั้งห้เอาสติกํากับอเรากําหนดอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนด้วยสติ กำหนดด้วยสติด้วยโดยสัมปชัญญะด้วย อ, อิริยาบอิริยาอิยาอิริยาปทะปภะอิริยบทกำหนดอิริยาบทมีสติกำกับอิริยาบทมีสัมปชัญญะกำกับอิริยาบทเนี่ยสัมปชัญญะปภะสัมปชัญญะคือความรู้ตัวรู้ตัวว่าเรากำลังเดินรู้ตัวว่าเรากำลังยืนรู้ตัวว่าเรากำลังนั่ง รู้ตัวว่าเรากาลังทำงานเน่เอาไปกำกับได้หมดที่สำคัญที่สุดคือมีสติร่อยู่กับงานอย่างเดียวเรื่องเดียวเอามากำกับเพื่อไม่ให้ตันหามันแทกมันแทกเข้ามาที่จิตของเรานี่เป็นข้อปฏิบัติเป็นบทที่เอาไปปฏิบัติหรือไม่เรามาพิจารณาในแง่ปฏิกูลก็ได้ อธิมัศมิกายเกษาโลมานักาดันตาตะโจบางสังนักฮาโรอธิอธิมินชังวัดกลางวัดวัดแต่ยังยากนนังกิโลมะกังปิหังปปภาสร้างอันตังอันตะคูนังนู่นจนถึงน้ํำมุดน้ําคูดน่ะไปไล่ดูดูความดูคําแปลเนี่ยปฏิกูลปฏิกูลร่างกายของเราทุกสักทุกส่วน ทุกชิ้นทุกอ่านทุกชินทุกชิ้นทุกอ่านเนี่ยปฏิกูลโสโครปฏิกูลโสโครกเราดูความไม่สะอาดของมันะความไม่สะอาดของมันเนี่ยนับประปฏิกูลเอาอะไรไปกำกับเอาสติเอาสัมผััญญานี่ยไปกำกับกำกับจิตเอาจิตมันใช้ดูมาใช้ดูรูปธรรมนี่ เกษโลมานกขาดันตาตะโจตะโจดันตานขคาโลมาเกษนี่ทึกจกกาาักรัญธกกรรมฐานเมื่อกี้เราสวดเมื่อกี้เ่ยเป็นครบทั้งสาสบสองอาการเป็นเลือด เป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าใช้สติใช้สัมปญชัญญะกำหนดจดจ่อดูเราแยกอย่างนี้มันเห็นว่าแต่ละอย่างเป็นของปฏิกูลด้วยแล้วก็สามารถแยกเป็นเป็นวิภาคที่เทียกว่ากา ย, ยาวิภาคกายวิภาคจำแนกกายจำแนกกายออกเป็นส่วน การจำแนกกายออกเป็นส่วนๆแบบนี้ท่านว่ามันสามารถกำจัดความเป็นอัตตาเป็นตัวตนได้อัตตาตัวตนในความรู้สึกในความหมายของเราเราเห็นว่าเป็นก้อนเป็นแท่งอัตตาตัวตนมันโผล่เข้ามาที่ไหนโผล่เข้ามาที่ใจใจโผล่เข้ามาที่กายยึดกายว่ากลายเป็นตัวเป็นตนว่ากายเป็นก้องเป็นแท่งกลายเป็น ต า, าท่านสอนว่าอนัตตาอนัตตาไม่ใช่ตัวตนแต่เรามองเห็นว่าเป็นอัตตาว่าเป็นตัวเป็นตนท่านจึงให้ไม้หัดแยกแยะเป็นบทบริกรรมเอาเป็นผมผมผมไม่ให้มีเราเข้าไปอยู่ในเส้นผมขนขนขนใช้สติใช้สัมผััญญา ก, กำหนดจดจ่อไม่มีเราเข้าไปอยู่ในเส้นเส้นขน ไม่ให้มีเราเข้าไปอยู่ในเล็บในฟันในหนังในเนื้อในเอ็นในกระดูกไม่ไม่มีฟันเราผมเราเล็บเราฟันเราหนังเราเนื้อเราเอ็นกระดูกของเราไม่มีไม่มีคําว่าของเราเราเผลอเผลอให้ตันหามนมาแทกมันว่าของเรานะของเราความรู้สึกมันว่าของเรานั่นแหละตัวอกปาฐานมันพายยึด การยึดเหนียวแน่นมั่นคงคลี่คลายได้ด้วยปัญญาคลี่คลายได้ด้วยปัญญาการที่เรากําหนดจดจอทุกกิริยาบททุกยืนทุกเดินทุกนั่งทุกนอนเรามาแยกแยะเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังทาให้เราอยู่กับเนื้ออยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับงานกับการอยู่กับเนื้อกับตัว การที่มีเราการที่เรามีสติกำหนดจดจ่ออยู่อย่างนี้สติของเราท่านเรียกว่ามหาสติปัฏฐานเป็นการใช้สติที่เป็นไปในงานเบื้องสูงงานเบื้องสูงงานเบื้องบนงานนี้เป็นงานเพื่อบเบื้องสูงเป็นงานเบื้องบนงานที่เกี่ยวกับกายงานที่เอามาพิจารณาเพื่อไม่ให้กเกลเอตัญหามันเกิดขึ้นมันแทรกเข้ามาที่จิตของเราบทมหาสติปัฏฐานที่เราสวนเนี่ย เปนมันเป็นบทภาคพิจารณาเป็นบทที่เอามากำกับเป็นธรรมแต่ละบทที่ท่านให้เอามากำกับาการสับสิท์สามสิบสองนะพิจารณาในแง่ปฏิกูลอะไรก็ปฏิกูลไปหมดปฏิกูลคือความสกปรกความโสโครกเราดูที่ผมของเราเนเวลามันร่วงลงมาบางทีมันร่วงมันตกลงมาปนกับอาหารนี่เสีิดเสีเอียนน่าเกลียด น่าเกลียดเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเนี่ยอเป็นฟันนดูที่ฟันน่ะน่าเกลียดไหมสกปรกโซโครกเป็นหนังเป็นเนือ้ออ<ม>ตอนมันอยู่เป็นก้อนเป็นแท่งเนื้อเราเนื้อเราหนังเราหนังเราหนังเราตอนมันเน่ามันเปื่อยไปแล้วมัมีไม่มีอะไรมันน่าเกลียดยิ่งเป็นของคนตายด้วยแล้วเนี่ยน่าเกลียดมาก น่าเกลียดน่ากลัวน่ารังเกียจน่าสะอิดสะเอียนอน่ารังเกียจทำไมถึงรังเกียจเพราะความปฏิกูลของมันมันร่วงไปมันร่วงไปท่านให้พิจารณาคนตายคนตายมันร่วงไปหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสองชั่วโมงไปมันเริ่มแข็งละสองชั่วโมงไปมันเริ่มแข็งเลย หนังหนังเริ่มเป็นหนั ง, งค้างคอกแล้วหนังคังคอกนีมันขึ้นตามขนนะเราเคยงานเราเคยไปงานศพครูบาอาจารย์ท่านมรณภาพโดยโรคมะเร็งอ ม, มรภาพโดยโรคมะเร็งเวลาผ่านไปแค่หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงมันขึ้นหลักขน ขึ้นเป็นหนังกระคกเลยมันเป็นหยาบเป็นกระด้างเริ่มเปลี่ยนเป็นซีดเริ่มเปลี่ยนเป็นกระด้างเป็นซีดเป็นดําขึ้นมาแข็งกระด้างไม่อ่อนไม่นิ่มเลยจากนั้นความรู้สึกของเราเริ่มรู้เห็นเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโศโครกให้แตะไม่มีใครกล้าแตะกล้าจับหมอยิ่งถึงขั้นเปืยถึงขั้นเน่าด้วยแล้วเนี่ยไปเปิด เขาไปเปิดเขาไปเปิดศพล่วงไปหนึ่งปีสองปีไว้เปิดปับ๊บบางทีสองเดือนสามเดือนเป็นเปิดปับ๊บลองเปิดดูเนี่ยกำลังเละเละกำลังเน่าเฟะลองดูลองเปิดดูเน่าเน่าความเน่าความเปลืองปฏิกูลโสโครกถ้าเราไม่มีธรรมะในใจเราจะดูไม่ได้เล ย, เยไม่กล้าดูบางคนไม่กล้าดูบางคนมีธรรมะในใจดูได้ เพราะเห็นทุกอย่างเป็นของจริงเป็นเรื่องจริงไปหมดความเละก็คือธรรมชาติอย่างหนึ่งความเน่าก็คือธรรมชาติอย่างหนึ่งน้ำเหลืองน้ำแดงน้ำเขียวอะไรที่อยู่ในนั้นก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งกลิ่นอัดเข้ามาที่จมูกก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งมองเห็นเป็นเรื่องธรรมชาติไปหมดไม่มีความมันเลยความซดเสียนความน่ากลัวที่ท่านท่านให้ดูให้ซีดเสียนให้หน่ากลัวก็เพื่ออะไร พิจารณาให้เห็นเป็นของปฏิกูลโสโครงเพื่ออะไรเพื่อปกป้องตันหาราคะความสวยความงามมันเกิดขึ้นในหัวใจของเราตอนจิตใจเราปกติร่างกายเราปกติเขาก็จิตใจปกติร่างกายเขากปกติผู้ชายผู้หญิงนี่น่ารักเหลือเกินน่ารักมากมาก็สวยอันนี้ก็สวยอันนั้นก็สวยอันนี้ก็สวยริดเด็ดพลัง องอำนาจของตัณหาอันนั้นก็สวยอันนี้ก็สวยอันนั้นก็สวยสีก็สวยแม้แต่กลิ่นเหม็นๆนี่ก็หอมสวยงามหอมเพราะอะไรเพราะตัณหาราคะมันแรงมันมองเห็นเป็นของอริสอร่อยไปหมดเนี่ยท่านให้มองเห็นเป็นของปฏิกูลเพื่อไปปรับความเห็นว่าสวยว่างามเนี่ย เพื่อไมให้ตันหาราคามันเกิดขึ้นเพื่อบันเทาตันหาราคาตันหาราคามันเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่เสริมมันมากเท่าไรตันหาก็ยิ่งเพิ่มผูนเข้ามาเพิ่มผูนเข้ามาเพิ่มผูนเข้ามาจิ่งเหล่านี้เนี่ยมันรุนแรงในหัวใจของคนทำให้เรายึดมั่นเหนียวแน่นมั่นคงอ่าดูแต่คนมันรักกันมันแย่งกันฆ่ากันฆ่ากันแกงกันเพราะอะไร เรแย่งก้อนกามกันคอนกามยอดของกาม น, นะมนุษย์กับมนุษย์นะ่ะถือว่าเป็นยอดของกามแย่งก้อนกามกันนั่นนอกจอากยอดของกามแนละ้วก็แย่งไอ้ของที่ไม่ใช่ยอดกามเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟเป็นข้าวปลาอาหารเป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยเป็นของนุ่งของหง่ม เป็นของใช้ของสอยดูดิเขาลักกันเขาเขาโมยกันพกรถพวกราของใช้ของสอยมือถงมือถือนี่นีวัตถุกรมทั้งนั้นวัตถุกลามทั้งนั้ น, กก น, นแย่งกันของเราของเราของเราของไข่ก็ตามเราหาได้ยากพอตกถึงเราก็เอาขาโมยเอาแย่งเอาปล้นเอาจี้เอาทำมาหาขีนก็บิดบิดเบี้ยวเบียว คดกดกงกงก ง, งเอาหยุดมันถือมันสําคัญมั่นหมายเหลือเกินเนี่ยสิ่งที่มันไม่ใช่ยอดของกามข้เราก็เหนียวแน่นมั่นคงกับมันทั้งวัตถุ ก, กามพื้นพื้นธรรมดาทั้งยอดของกามมันอัดแน่นในหัวใจของมนุษย์ของสัตว์สํารอกมันออกได้ยากถ้าไม่ใช้วิธีอุบายวิธีนี้เนี่ยที่ผู้เจ้าท่าสอน นี่แหละวิธีอบายวิธีที่สำรอกกามออกจากจิตทั้งกามวัตถุทั้งยอดของกามสำรอกออกจากจิตมันเยิ้มไปด้วยน้ำตั้หาอาสวะอยู่ในหัวใจสำรอกมันออกด้วยตปะธรรมสิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความเป็นตปะธรรมก็คือสติธรรมปัญญาธรรมสัมปชัญญะธรรมสติกับสัมปชัญญะ ประกอบการบวกกันนานๆเข้าพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงพิจารณาไปพิจารณามาเกิดปัญญาธรรมคำว่าเกิดปัญญาธรรมก็คือเห็นรู้เห็นเข้าใจสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นสวยงามจริงหรือปฏิกูลจริงหรือดูไปจริงๆเข้าวความสวยงามก็ไม่ใช่ดูไปจริงๆเข้าวความปฏิกูลก็ไม่ใช่ความโสโครกก็ไม่ใช่เลยไปหมดแล้ว โอ้ oh, สิ่งนี้ธรรมชาติของมันเป็นอย่างนี้อันนี้ธรรมชาติของมันเป็นอย่างนี้อันนี้ธรรมชาติของมันเป็นอย่างนี้ยังเข้าถึงหลักความจริงถึงหลักธรรมชาติของมันดูเลยสมมุติไปดูเลยสมมุติไปเหลือแต่สัจคือความจริงของมันความจ ร, มรมิงของสิ่งนั้นนั้นอันนั้นมีความจรมิงอย่างนั้นอันนั้นมีความจริงอย่างงั้นไปเสกสรรปั้นแต่งให้มันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เหมือนก็คือเหม็น เหม็นก็คือเหม็นเหมือนคือธรรมชาติอย่างหนึ่งทําไมเราต้องไปเกลียดเน่าและเฟะสีเหลืองสีแดน้ําเมือกน้ำหนองสีเหลืองสีเขียวสีแดงมันก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของมันแต่เราดูแล้วว่าปฏิกูลวัโสโุพวกน่าสะอิดสะเอียนโอ้กินไม่ได้นอนไม่หลับน่าสะอิดสะเอียนน่ากลัวสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์ต่อเมื่อเราเอามา เอามากำกับดูแลกับจิตดวงนี้ที่มันขนองกับเรื่องของตันหามันเป็นการผ่อนคลายตันหาท่านจพีงให้เราศึกษาปฏิกูลลสัญญาปฏิกูลลสัญญาอาสุภะสัญญามองให้เห็นติดตามองให้เห็นติดตาติดหูติดตาติดใจ<ม>เห็นเป็นของปฏิกูลปฏิกูลลสัญญา สำคัญมั่นหมายว่าสกปรกโสโครกเพื่อเป็นโล่ป้องกันความกำหนัดความรักใคร่ความยินดีเราพยายามพิจรารัยให้เห็นหลักสัพทธ์ธรรมที่แท้จริงแต่จิตมันไปยังไม่ถึงหรอกมันไปยังไม่ถึงมันจะไปกำหนัดยินดีเสียก่อนท่านจริงให้เอาสัญญามากำกับเอาปฏิกูลมาปิดมาบางังมากำกับเอาอาสุภาษสุพังที่ธนว่าปฏิกูลสัญญา อสุภะสัญญาหรือไม่ก็เอาอนัตตะสัญญาความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมากากับดูแลที่จิตของเราไม่ให้จิตของเรานี่มาถูกตัณหามายุมาแย่เอาตัณหามายุมาแย่แล้วเห็นเป็นของสวยเห็นเป็นของงามเอาสัญญาตัวนี้เระมากำกับมาปกมาป้องมันตราบใดที่ยังไม่เห็นสักจะตัวจริงที่ปรากฏว่าเขียวเป็นเขียวเป็นเหลือง เหม็นเป็นกลิ่นธรรมชาติอย่างหนึ่งนังวิ่แมงวันมาตรุมมาตอมเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของมันครับทาไมเราต้องดูเราไม่มีสติไม่มีสัมผัชัน้นยะดูดูหน้าเกลียดดูหน้ากลัวเสียดเสีเอีย น, นเป็นไปหมดเราเอาสิ่งเล่านี้มาปกมาพ้องมากำกับเป็นโลกเป็นโล่มาปกมาพ้องมากากับกันตันหามให้มันโผลมาที่หัวใจ จนกว่าจะมีปัญญาเห็นชอบว่าโอ้สักถวัตธรรมชาติอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งมันเข้าไปยังไม่ถึงน ะ, จะเจริญปฏิกูลสัญญาเสียก่อนจเจริญอสุภาสัญญาเสียก่อนสําคัญมันหมายปฏิกูลโสโครกสรกปรกกว่าเราจะรู้ว่าตาก็สกบปรกหูก็สกปรกรู้จมูกก็สกปรกปากทั้งปากเนี่ยก็สกปรก ทวานหนักทวานเบาก็สกปรกกว่าเราจะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้สกปรกอืมกว่าจะพิจารณาว่าเห็นให้เห็นว่าเป็นของสกปรกที่แท้จริงได้เนี่ยตันหามันดึงไปหมดก่อนต้องใช้โลมาปกป้องไม่ให้ตันหามามาลุกคลำ้ำปติกูลสัญญานี่แหละอสุปละสัญญานี่แหละมาปกมาป้องมาปิดมาบังไว้ซะก่อนไม่งั้นไม่ทันมันไม่ทันมัน มเอาไปกินซะก่อนเนี่ยเราพิจารณาได้ยืนเอินนั่งนอนพิจารณาตามผลมหสติปัฏฐานเนี่ยเราพิจารณาได้เมื่อที่เราพูดถึงปฏิกูละสัญญาเราพูดถึงธาตุหรือไม่ท่านให้พิจารณาเป็นทา่านแข็งๆมันเป็นดินเอ่ออาบซึมซาบเป็นน้ําพัดไปพัดมาเป็นลมอบพุนเนเป็นไฟดินน้ําลมไฟ จากนั้นแล้วก็มีอากาศสทธานมีอากาศสทธาดดินน้ำลมดินน้ำลมไฟอากาศสทธาดที่เป็นก้อนเป็นแท่งอยู่ในนี้ั้งให้พิจารณาเป็นธาตุักดิาเป็นธาตุพิจารณาทั้งหมดนะพิจารณาให้เห็นความจรจิงของมันเพื่อปฏิเสธคำว่าเป็นตัวเป็นตนนี่เรามาคลี่คลายแบบนี้แหละคลี่คลายเพื่อหาเหตุ หาปัจจัยไล่ต้นกิเลส ต, ตันหาให้มันจนมุมจับเอาความจริงเอาจับเอาสัจจะนี่แหละมาไปชดไปชันกระชากเอามาให้มันดูซึ่งน่าเฉพาะหน้าเพื่อให้มันจำนนเพื่อให้มันจำยอมถ้าไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือถึงขนาดนี้ไม่มีโอกาสที่มันจะจำยอมมันไม่จำยอมอัตราตัวตนโผล่ขึ้นมา อัตาตัวตนโผล่ขึ้นมาของเราตัวของเราโผล่ขึ้นมาตัวเราโผล่ขึ้นมาของเราก็โผล่ขึ้นมาเราก็รักก็ชอบตัวตนของเราเราก็รักก็ชอบของที่เราจำเป็นมาใช้มาสอยเราก็รักชอบเขาก็รักชอบทางคนทางแสวงหาแย่งกันทะเลาะบกแย่งกันใช้อบายใช้วิธี เพื่อเพื่อเอาด้วยสติก็กเอาด้วยปัญญาก็เอาด้วยเรี่ยวแรงก็เอานี่สิ่งเหล่านี้ตามมาทําให้มนุษย์เรานะ่ะอืมต้องต่อสู้ต้องแข่งแย่งกันทํามาหากินใช้อบายใช้วิธีใช้วิธีที่ถูกก็เอาใช้วิธีที่บิดีเบี้ยวที่คดที่โกงก็เอาทําไงจะได้เพราะอะไรเพราะอัตตาตัวตนมันโผลมันโผล่มาแล้วอย่างอื่นพลอยยุ่งไปหมด ตัญหาไม่เคยสร้างความสุขให้กับเราทำให้เรายุ่งกับมันไปทุกอย่างทุกเรื่องตัญหาในหัวใจดูมันออกไหมดูไปที่ใจเราจะเห็นเห็นตัญหาที่หัวใจมันดีดมันดิ้นดีดไปอย่างนั้นดิ้นไปอย่างนี้ดีดไปดิ้นไปอย่างนั้ น, น, น, น, น, นถ้าไม่ดูไม่เห็นไม่ทันดูเฉยๆก็ไม่ทันมันถ้าไม่ดูด้วยอุบายด้วยวิธีเนี่ยที่เราสวดบทที่เราสวดเนี่ยเป็นอุบายเป็นวิธี พระุทธเจท่านให้เรามากากับที่จิตของเราเพื่อให้ทันกิเลสเหล่านั้นแต่ตัวนี้แหละมันเป็นตัวที่โยงมัดเราติดไว้ในภพติดไว้ในชาติในวัฏฏะสงสารเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายตันหาโผล่ทีไรเมื่อไหร่อุปาทานมาข้าโผลอุปาทานโผลขึ้นมาทีไรเมื่อไหร่ภพมันก็โผลชาติมันก็โผลความทุกโศก สงกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตมันก็โผล่ตามมาปรารถนาสิ่งนู้ให้เป็นไปตามใจหวังก็ไม่สมหวังปรารถนาสิ่งนี้ให้เป็นไปตามใจหวังก็ไม่สมหวังทุกแต่ละอย่างเนี่ยทุกทุกทุกทุกทาเพื่อปกป้องเอาความจริงมาไปจานมาไปจันหน้ามันเพื่อไม่ให้ความทุกข์มันเกิดในหัวใจของเราเพื่อไม่ให้เราเพื่อไม่ให้มันเกิดความมั่นหมาย มั่นหมายทีไรเมื่อไร่มันเกณฑ์เอาเกณฑ์เอาให้ถูกใจมันเกณฑ์เอาอะไรก็ผิดหวังกับมันเกณฑ์เอาสิ่งใดก็ผิดหวังกับสิ่งนั้นทุกข์กับสิ่งนั้นเนี่ยปรารถนาสิ่งใดไม่สมหวังทุกข์กับสิ่งนั้นแต่ละวันแต่ละคืนเราทุกข์กับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทุกข์เพราะเรื่องอื่นเรื่องเพราะการคาดการเดากาันบีบบังคับให้เป็นไปตามใจของตัวเองนี่เองใครมีนิสัยชอบตามใจตัวเอง ก็นั้นแบกทุกอยู่ร่ําไปแบกทุกเรื่อยๆแบกทุกบ่อยๆแบกทุกเนืองเนืองแบกเองทุกอย่างนั่นแหละเพราะอะไรเพราะตัวเองในข้องขาอยู่กับสมุทัยที่จะเป็นเขตก่อกลัวให้เกิดทุกอยู่ร่ําไปไม่อยอมพิจารณาเห็นสัจจะก็คือความจริงความทุกข์ทั้งหลายมันก็มาทับถมเราตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อเอา อนุสัยตันหามานะทิฐิแล้วนี่เลยออกเพื่อเกิดความรู้เกิดความฉลาดเกิดความรู้เกิดความฉลาดพอจะมองสิ่งเหล่านี้ออกสิ่งนั้นก็บาไปสิ่งนี้ก็บาไปสิ่งนั้นก็บางไ ป, ส, งงไปสักจะที่แท้จริงทั้งยาทั้งละเอียดจะเริ่มปรากฏที่ที่จิตของเราก็เริ่มพอเริ่มพอจะเริ่มรู้ทันกันทันอุบายทานนัทนกนธนุบายทันมายาของตันหาก็พอจะต่อสู้กัน ต่อสู้กันด้วยเวลาด้วยเรี่ยวแรงด้วยความอดด้วยความทนด้วยอุดมคติตั้งไว้ให้มันเอาต้องได้ต้องได้ต้องได้ต้องเอาต้องเอาต้องชนะต้องชนะตั้งอุดมคติไว้อยู่อย่างงี้มันต้องได้เอาละพอสมควรกัเวลา